ปันจวักว่าด้วยหมวดห้าหมวด 1. กรร ม, มวักหมวดว่าด้วยเรื่องกรรมกรรม 4.482 กรรม4อย่างคือ 1. อปโลกนกรรม 2. ยัยติกรรม 3. ยัยติทุติยกรรม 4. ยัยติจตุถกรรม ถามกรรมสอย่างนี้ย่อมวิบัติโดยอาการเท่าไรตอบกรรม4ี่อย่างนี้ย่อมวิบัติโดยอาการ5อย่างคือ 1. โดยวัตถุ 2. โดยยัติ 3. โดยอนุสาวนา 4. โดยสีมา5โดยบริสัทวัตถุวิบัติ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 กรรมที่ควรสอบถามก่อนทําแต่สงไม่สอบถามก่อนทํากรรมไม่ชอบรำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุกรรมที่ควรทําตามปฏิญญาแต่สงไม่ทําตามปฏิญญากรรมไม่ชอบทำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้อโมระหาวินยัยแก่ภิกษุ ผู้ควรสติวินัยกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์ ร, รมตัดสปาปิยาสิกากรรมแก่ภ er. ิกษุผู้ควรอมุรหวินัยกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ์รมตัชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรม กรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงรรมนิยะสะกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชนายกรรมกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงทำปปพาชนียกรรมแก่ภิกษุควรนิยะสะกรรมกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสง ทำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปรับภาชนียกรรมกรรมไม่ชอบทำชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงทำอุกเขปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมกรรมไม่ชอบทำรรชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้ปริวาทแก่ภิกษุผู้ควรอุกเขปนิยกรรม กรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิมกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้มานัดแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงฆ อภานภิกษุผู้ควรมานัตกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบ oh ัติโดยวัตถุสงให้ภิกษุผู้ควรอภานอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบ oh ัติโดยวัตถุสงทำอุโบสถในวันมิใช่วันอุโบสถกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบ oh ัติโดยวัตถุ สงภา ร, รณาในวันมิใช่วันภาวณากรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างนี้กรรมย่อมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุยติวิบัติ484ถามกรรมย่อมวิบัติโดยยติอย่างไรตอบ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 สมมติสีมาในทะเล 9. สมมติสีมาในสระเกิดเอง 10. ขคาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมา 11. ทับสีมาด้วยสีมากรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการ11อย่างนี้บริษัทวิบัติ487ถาม กรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทอย่างไรตอบกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการสิองอย่างคือ 1. ในกรรมที่สงจตวุวคพึงทรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไรที่ยังไม่มาไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน 2. ในกรรมที่สงจตุวักพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไรที่มาแล้วแต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพียงกันคัดค้าน 3. ในกรรมที่สงจตุวักพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไรที่มาแล้ว นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่ภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้านสี่ในกรรมที่สงปัญจวัคพึงทรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไรที่ยังไม่มาไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้านห้ 5. ในกรรมที่สงปัญจวัคพึงทรรม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 7. ในกรรมที่สงทศวรคพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไรที่ยังไม่มาไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพลียงกันคัดค้าน 8. ในกรรมที่สงทศวรพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไรที่มาแล้ว แต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน 9. ในกรรมที่สงทศวครคษพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไรที่มาแล้วนำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่ภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน1 0ในกรรมที่สงวีสติวครคษพึงธรรม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 กรรมอันสงจตุวคพึงธรรมเป็นต้น488ในกรรมที่สงจตุวคพึงธรรมภิกษุปะกตตะสี่รูปเป็นผู้เข้ากรรมปกตตะที่เหลือเป็นผู้ควรฉันทะภิกษุรูปที่สงธรรมกรรมนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรมแต่ไม่ควรฉันทะแต่เป็นผู้ควรแก่กรรม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 ปกตัทตะที่เหลือเป็นผู้ควรฉันทะภิกษุรูปที่สงธรรากรรมนั้นไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรมและไม่ควรฉันทะแต่เป็นผู้ควรแก่กรรมในกรรมที่สงวีสติวักพึงธรรมภิษุปกระตะยี่สิบรูปเป็นผู้เข้ากรรมปกตะทตะที่เหลือเป็นผู้ควรฉันทะภิกษุรูปที่สงธรรมกรรมนั้น ไม่ใช่เป็นผู้เข้ากรรมและไม่ควรฉันทะแต่เป็นผู้ควรแก่กรรมกรรมส489กรรมสี่อย่างคือ 1. อปโลกนกรรม 2. ยัยติกรรม 3. ยัยติทุติยกรรม 4. ยัยติจตุถกรรมถาม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 กรรมย่อมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างไร Jamie, ตอบกรรมย่อมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างนี COVID ้คือสงให้บรรดอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้คนไถยสังวาตอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสง ให้คนผู้เข้ารีดเดรัจฉีอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้สัตว์เดรัจฉานอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้คนผู้ฆ่ามารดาอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้คนผู้ฆ่าบิดา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 ให้คนผู้ทำลายสงอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้คนผู้ยังพระโลหิตห้ออุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุสงให้คนสองเพศอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุ สงให้คนมีอายุไม่ถึง20ปีอุปสมบทกรรมไม่ชอบธรรมชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุอย่างนี้กรรมชื่อว่าย่อมวิบัติโดยวัตถุยัติวิบัติ491ถามกรรมย่อมวิบัติโดยยติอย่างไรตอบ กรรมย่อมวิบัติโดยยัตติด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ไม่ระบุวัตถุ 2. ไม่ระบุสงฆไม่ระบุบุคคล 4. ไม่ระบุยัตติ 5. ตั้งยัตติภายหลังกรรมย่อมวิบัติโดยยัตติด้วยอาการ5อย่างนี้อนุสาวนาวิบัติ 492ถามกรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาอย่างไรตอบกรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาด้วยอาการห้าอย่างคือ 1. ไม่ระบุวัตถุ 2. ไม่ระบุสง์ 3. ไม่ระบุบุคคล 4. ทิ้งวาจาประกาศ 5. สวดในการไม่ควร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 สมุมมติสีมามีนิมิตขาด 4. สมมติสีมาใช้เงาเป็นนิมิต 5. สมมติสีมาไม่มีนิมิต 6. ภิกษุอยู่ภายนอกสีมาสมมุติสีมา 7. สมมุติสีมาในแม่น้ํา 8. สมมติสีมาในทะเล 9. สมมติสีมาในสระเกิดเอง1 0 คาบเกี่ยวสีมาด้วยสีมา 11. อทับสีมาด้วยสีมากรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการสิออย่างนี้บริษัทวิบัติ494ถามกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทอย่างไรตอบกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการสิสองอย่างคือ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 แต่ไม่นำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน 3. ในกรรมที่สงจตุวัคพึงธรรมภิกษุทั้งหลายที่เข้าร่วมกรรมมีจำนวนเท่าไหร่ที่มาแล้วนำฉันทะของภิกษุผู้ควรฉันทะมาแต่ภิกษุพร้อมเพรียงกันคัดค้าน 4.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 อัปโลกนกรรมย่อมถึงฐานะเท่าไรยัตติกรรมย่อมถึงฐานะเท่าไรยัตติทุติยกรรมย่อมถึงฐานะเท่าไรยัตติจตุถักรรมย่อมถึงฐานะเท่าไรตอบอัปโลกนกรรมย่อมถึงฐานะห้าอย่างยัตติกรรมย่อมถึงฐานะเก้าอย่างยัตติทุติยกรรม ย่อมถึงฐานะเจ็ดอย่างยัติจตุธกรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดอย่างฐานะแห่งอปโลกนกรรม496ถามอปโลกนกรรมย่อมถึงฐานะห้าเหล่าไหนตอบฐานะห้าเหล่านี้คือโอสารณานิสารณาพันดุกรรม พรหมทันทั้งกรรมลักษณะเป็นคำรบหอัปโลกนกรรมย่อมถึงฐานะหเหล่านี้ฐานะแห่งยติกรรมถามยติกรรมย่อมถึงฐานะ9เหล่าไหนตอบฐานะ9เหล่านี้คือโอสารนานิสารนาอุโบสถปวารณา สมมติการให้การรับการเลื่อนปวารณาออกไปทั้งกรรมลักษณะเป็นคำรบ9ยติกรรมย่อมถึงฐานะ9เหล่านี้ฐานะแห่งยติทุติยกรรมถามยติทุติยกรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดเหล่าไหนาตอบฐานะเจ็ดเหล่านี้คือ โอสารนานิสารนาสมมติการให้การถอนการแสดงทั้งกรรมลักษณะเป็นคํารบเจ็ดยติทุติยกรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดเหล่านี้ฐานะแห่งยติจตุถกรรมถามยติจตุถกรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดเหล่าไหนตอบ ฐานะเจ็ดเหล่านี้คือโอสารนานิสารนาสมมติการให้นคขหะสมนุภาพทั้งกรรมลักษณะเป็นคำรบเจ็ดยติจตุถกรรมย่อมถึงฐานะเจ็เหล่านี้กรรมอันสงจตุวักพึงธรรมเป็นต้น497ในกรรมที่สงจตุวักพึงธรรม